พระบัญญัติหกรก็เมื่อยังเหลืออีกสิบวันจึงจะถึงวันเพ็ญเดือนสิเ็ซึ่งเป็นวันครบไตรมาสอัจเจ ก, กจีวรนเกิดขึ้นแก่ภิษุภิษุรู้อยู่ว่าเป็นอจเจ ก, กจีวรนพึงรับไว้ครั้นรับไว้แล้วควรเก็บไว้ได้ชั่วสมัยที่เป็นจีวรนาองการถ้าเก็บไว้เกินกำหนดนั้นต้องอบาาัตินิสกิยภาจิตีเรื่องมหาอมาต ถ, ถวายผ้าจานำพรรษาจบ